พระตรปิดกจบับประชาชนเล่มที่สิบสี่พระสูตรที่สิบห้าพระหูทาตุกสูตรสูตรว่าด้วยธาตุหลายอย่างพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าภายัยอันตรายอุปสรรคเกิดจากคนพานไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตพระอานน์กราบทูลถามว่า ด้วยเหตุเพียงไรภิกษุจึงควรแก้ถ้อยคำว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตเป็นผู้พิจารณาสอบสวนรัสตอบว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุ ป, ปบาทและฉลาดในฐานะคือสิ่งที่เป็นได้และอัตฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในข้อฉลาดในธาต ทรงแสดงความเป็นผู้ฉลาดในธาตุสิบแปดคืออายตนะภายในหกมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกหกมีรูปเป็นต้นวิญญาณหกมีตกขูวิญญาณเป็นต้นรวมทั้งหมดเป็นธาตุสิบแปดฉลาดในธาตุหกคือดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณธาตุหกคือกามเนคขมะ หรือการออกจากกามพยาบาทไม่พยาบาทเบียดเบียนไม่เบียดเบียนธาตุสคือกามรูปรูปธาตุสองคือธาตุที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งหรือสังคตตาธาตุธาตุที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งหรืออสังคตตาธาตุในข้อฉลาดในอายตนะส่งแสดงความเป็นผู้ฉลาด ในอายตนะภายใน6ภายนอกหในข้อฉลาดในปฏิจจสมุปบาทคือหลักความอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทรงแสดงความเป็นผู้ฉลาดทั้งในเหตุปัจจัยสายเกิดคือเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งต่อๆไปทั้งในเหตุปัจจัยสายดับคือเพราะดับสิ่งนี้สิ่งต่อๆไปจึงดับ ในข้อฉลาดในฐานะและอาฐานะส่งแสดงความเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นไปไม่ได้ที่เห็นสังขารว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนและสิ่งที่เป็นไปได้เช่นปุถุชนเป็นไปได้ที่จะเห็นสังขารว่าเที่ยงเป็นสุข เป็นตัวตน